จเจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตาการุณาใจบุญใจกุศล ท, ทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่28กันยายนพุทธศักราชสอ5พเจ็เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวันเพื่อมาสร้างที่เพึ่งแถมงใจ ที่พึ่งทางร่างกายพวกเราก็มีพอสมควรกันแล้วมีครบถ้วนบริบูรณ์แล้วมีบ้านอยู่มีเครื่องนุ่งหง่มมียารักษาโรคมีอาหารรับประทานถือว่าที่เพึ่งทางร่างกายนี้ครบถ้วนบริบูรณ์แล้วส่วนความสุขทางร่างกาย ก็มีอยู่แล้วหาความสุขได้เรื่อยๆไปดูไปฟังไปรับประทานไปดื่มไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปซื้อของต่างๆมามาเล่นมาหาความสุขกันแต่สิ่งที่พวกเรายังไม่มีการลืมมีน้อยก็คือที่พึ่งทางใจ ความสุขทางใจที่สาคัญกว่าที่พึ่งทางร่างกายสาคัญกว่าความสุขทางร่างกายเพราะที่พึ่งทางใจความสุขทางใจนี้เป็นของที่ถาวรเป็นของที่ดีกว่าดีกว่าที่พึ่งทางร่างกายที่เป็นที่พึ่งเพียงชั่วคราวความสุขทาง ร่างกายก็เป็นความสุขแบบยาเสกติดคือต้องเสพอยู่เรื่อยๆเวลาใดที่ไม่ได้เสพความสุขทางร่างกายก็จะมีความเศร้าซ้อยงอยหเหงามีความว้าเหวมีความหดหิงลำคาญใจดังนั้นพวกเราจึงควรที่จะหันมาหาที่พึ่งทางใจ ที่เป็นที่พึ่งที่แท้จริงที่ดับความทุกข์ภายในใจของเราได้และจะเป็นที่พึ่งของเราไปตลอดมาหาความสุขทางใจที่จะเป็นความสุขของเราไปตลอดถึงแม่ร่างกายนี้จะตายไปแล้วแต่ความสุขทางใจก็จะอยู่กับเราต่อไปเพราะใจของเรา ไม่ได้ตายไปกับร่างกายถ้าใจมีความสุขทางใจมีที่พึ่งทางใจใจก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่เดือดร้อนเวลาที่ต้องสูญเสียร่างกายไปถ้าไม่ได้สร้างที่พึ่งทางใจไม่ได้สร้างความสุขทางใจเวลาร่างกายตายไปก็จะไม่มีที่พึ่ง ก็จะอยู่แบบขอทานอยู่แบบคนไร้ที่พึ่งไร้ที่อยู่อาศัยต้องไปขอที่พึ่งจากคนนั้นคนนี้ขอให้เขาแ บ, บ่งบุญกุศลมาให้ตอนนี้พวกเราไม่ต้องไปขอพวกเราสามารถทำบุญได้สร้างกุศลได้ เวลาเราสร้างแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องไปขอคนอื่นเราก็จะไปอย่างสุขอย่างสบายนี่คือความสำคัญของบุญของกุศลของการทําทานของการรักษาศีลของการภาวนาของการฟังเทพฟังธรรมก็จะทําให้เรามีที่พึ่งทางใจ จะทำให้เรามีความสุขทางใจเวลาที่เราขาดที่พึ่งทางร่างกายขาดความสุขทางร่างกายเราจะได้ไม่เดือดร้อนเพราะใจของเรามีที่พึ่งมีความสุขนี่แหละเป็นหน้าที่ของพวกเราที่พวกเราจะต้องสร้างที่พึ่งทางใจ สร้างความสุขทางใจขึ้นมาไม่มีใครที่จะทำให้เราได้ไม่เหมือนที่พึ่งทางร่างกายอย่างมีคนอื่นสร้างบ้านให้เราได้ซื้อเสื้อผ้าให้เราใส่หาอาหารให้เรารับประทานแต่ที่พึ่งทางใจนี้ไม่มีใครทำให้เราได้เราต้องเป็นผู้กระทาเองถ้าเราไม่กระทาเราก็จะไม่มีที่พึ่ง เวลาที่เราไม่มีที่พึ่งทางร่างกายไม่มีความสุขทางร่างกายเช่นเวลาเราแก่เวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาเราตายจะเป็นเวลาที่ทุกข์มากเพราะเราไม่รู้จะพึ่งใครแต่ถ้าเรามีที่พึ่งทางใจเราก็จะไม่เดือดร้อนเราจะไม่ทุกข์เพราะที่พึ่งทางใจ จะทําให้เรามีความปลอดภัยมีความสุขดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราให้ความสําคัญต่อการสร้างที่พึ่งทางใจสร้างความสุขทางใจมากกว่าที่พึ่งทางร่างกายที่พึ่งความสุขทางร่างกายเพราะว่าต่อให้มีมากขนาดไหน ดีขนาดไหนมันก็ต้องมีวันหมดไปจบไปเวลาที่เขาหมดไปจบไปนี้เราจะทำอะไรจะเราจะทำอย่างไรถ้าเรามีที่พึ่งทางใจเราก็จะไม่เดือดร้อนถ้าเราไม่มีเราก็จะเดือดร้อนเพราะตอนที่เวลาเราแก่เวลาเราเจ็บเวลาเราตายนี้ เราไม่สามารถพึ่งอะไรได้เลยดัยงนั้นขอให้เรามาสร้างที่พึ่งทางใจกันที่พึ่งทางใจก็มีมีสามสี่ขั้นด้วยกันขั้นแรกก็คือการฟังเทศฟังธรรมก่อนที่เราจะรู้ว่าการสร้างที่พึ่งทางใจนี้สร้างอย่างไรเราก็ต้องรู้จักวิธีก่อนเวลาเราฟังเทศฟังธรรม เราก็จะได้รู้วิธีว่าวิธีสร้างที่พึ่งทางใจนี้สร้างอย่างไรมีความจำเป็นอย่างไรถึงจะต้องสร้างที่พึ่งทางใจก็อย่างที่ได้พูดให้ฟังแล้วว่าที่พึ่งทางร่างกายนี้เป็นเพียงชั่วคราวเดี๋ยวพอที่พึ่งนี้หมดแล้วเราจะไม่มีอะไรพึ่งถ้าเราไม่สร้างที่พึ่งทางใจ ที่พึ่งทางใจนี้ไม่มีวันหมดเพราะใจนี้ไม่มีวันตายเหมือนกับร่างกายดังนั้นเราขั้นต้นต้องศึกษาต้องฟังเทศฟังธรรมให้เห็นความสำคัญของการสร้างที่พึ่งทางใจของการหาความสุขทางใจเพราะว่าเป็นความสุขเป็นที่พึ่งที่เราเพึ่งได้ตลอดเวลาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น กับร่างกายของเราหรือเกิดขึ้นกับสิ่งของหรือบุคคลที่เราใช้เป็นที่พึ่งของเราเช่นเวลาที่เราสูญเสียทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองไปเวลาที่เราสูญเสียคนที่เรารักไปสูญเสียสิ่งที่เรารักไปเราจะไม่เดือดรอ้อนถ้าเรามีที่พึ่งทางใจ แต่ถ้าเราไม่มีที่พึ่งทางใจไม่มีความสุขทางใจนี้เราจะทุกข์มากและเราอาจจะทำลายชีวิตของเราก็ได้ทำลายชีวิตของเราอย่างที่เราคงจะได้ยินข่าวอยู่เรื่อยๆเวลาที่คนฆ่าตัวตายกันเพราะเขาไม่มีที่พึ่งแล้วสิ่งที่เขาเพึ่งได้จากเขาไปเสียล้วเช่นสมบัติเข้าของเงินทอง หรือสามีภรรยาเขาเลยไม่รู้ว่าจะไปพึ่งใครจะไปหาความสุขจากที่ใดเขาก็เลยคิดว่าอยู่ไปก็จะทุกข์ไปเปล่าๆสู้ตายดีกว่าจะได้พ้นทุกข์แต่ความจริงความทุกข์นี้ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายความทุกข์นี้อยู่ในใจอยู่ในใจที่ขาดที่พึ่ง พอไม่มีที่พึ่งทางร่างกายไม่ได้พึ่งสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้พึ่งบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจเพราะอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากทำอยากดูอยากฟังเหมือนกับที่เคยได้ดูได้ได้ทำได้ฟังได้ดื่ได้รับประทานพอไม่สามารถที่จะทำได้ ก็เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาการฆ่าร่างกายก็ไม่ได้เป็นการดับความทุกข์ทรมานใจแต่อย่างใดความทุกข์ทรมานใจก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมเพราะเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานใจก็ยังไม่ได้รับการกำจัดเหตุก็คือความอยากกลับไปเหมือนเดิมอยากจะกลับไปมีความสุขเหมือนเดิม อยากจะให้คนที่รักกลับมาเหมือนเดิมอยากจะให้สิ่งที่รักกลับมาแต่มันเป็นไปไม่ได้ข่าตัวตายก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรร่างกายตายไปใจก็ยังทุกข์ทรมานต่อไปและใจที่ทุกข์ทรมานนี่แหละที่เรียกว่านรกเวลาใจทุกข์นี่มันร้อนเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมากินไม่ได้นอนไม่หลับ พอไม่มีร่างกายใจก็ไปอยู่ในนรกทันทีดังนั้นเวลาเรามีความทุกข์ใจเกิดจากการสูญเสียสิ่งที่เรารักไปสูญเสียบุคคลที่เรารักไปหรือไม่สามารถทำอะไรตามที่เราเคยทำได้เช่นเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอมภกเป็นอมภารอย่าไปคิดฆ่าตัวตาย เพราะว่าไม่ใช่เป็นวิธีที่จะแก้ปัญหาวิธีที่จะแก้ปัญหาก็คือให้เราน้อมเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติพระพุทธเจ้าสอนว่าความทุกข์ทรมานใจของพวกเราเกิดจากความอยากของเราเองเราอยากจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งอยากจะมีอะไรอย่างใดอย่างหนึ่ง เวลาไม่ได้ขึ้นมาก็เกิดความทุกข์ใจเวลาได้ก็ดีใจแล้วก็เกิดความอยากใหม่ตามมาใหม่เพราะว่าความอยากนี้จะไม่มีวันหมดได้อะไรมาจะไม่มีคำว่าพอดังนั้นการทำตามความอยากจึงเป็นการสร้างโจ์สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นใหม่เพราะพอได้แล้วก็อยากจะได้ใหม่ หรือสิ่งที่ได้มาแล้วก็อยากจะให้อยู่กับตนไปนานๆไม่อยากให้จากตนไปพอเวลาจากไปก็เกิดปัญหาขึ้นมาอีกเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอีกวิธีที่จะแก้ปัญหาแก้ความทุกข์ใจก็คือต้องไม่ทําตามความอยากเท่านั้นต้องหยุดความอยากถ้าเราไม่ทําตามความอยากต่อไปความอยากก็จะหมดไป ทุกครั้งที่อยากเราก็อยากไปทำตามที่เราอยากเราอยู่เฉยๆเรามีความสุขได้ถ้าเรามีความสุขทางใจถ้าเราได้สร้างความสุขทางใจไว้แล้วเราก็จะ ส, สามารถไม่ทำตามความอยากได้ความสุขทางใจนี้ก็ต้องเกิดจากการทำทานอย่างที่ท่านทั้งหลายมาทำกันในวันนี้ ทำแล้วก็จะเกิดความสุขใจอิ่มใจในระในระดับหนึ่งความสุขใจอิ่มใจในระดับที่สองก็คือเกิดจากการรักษาศีลเกิดจากการไม่ทําบาปและความสุขใจอิ่มใจระดับที่สที่เป็นระดับที่สูงสุดก็คือการภาวนาถ้าเราสามารถสร้างความสุขทั้ง3มระดับนี้ได้ เวลาเกิดความอยากเราจะฝืนได้เราจะไม่ทำตามความอยากได้แล้วเมื่อเราไม่ทำตามความอยากเราก็จะไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นมาภายในใจเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอมภพอมภาะไม่สามารถทำอะไรได้ก็ไม่เดือดร้อนเพราะว่าไม่อยากจะทำอะไรอยู่เฉยๆก็ได้คนที่มีความสุขใจนี้ไม่ต้องทำอะไร อยู่เฉยๆไม่กินก็ได้ไม่ดื่มก็ได้ไม่ดูไม่ฟังก็ได้ไม่มีร่างกายก็ได้เช่นพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายตอนนี้ท่านไม่มีร่างกายเหมือนเราแต่ท่านมีความสุขมากกว่าเราท่านไม่ได้ตายท่านไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่ท่านไม่มีร่างกายเหมือนเรามาติดต่อกับพวกเราเท่านั้นเอง แต่การมีร่างกายนี้มันเป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขมีร่างกายนี้ต้องทำอะไรบ้างต้องคอยเลี้ยงดูร่างกายตั้งแต่วันออกมาจากท้องแม่เวลาอยู่ในท้องแม่นี้สบายไม่ต้องหายใจไม่ต้องกินไม่ต้องดื่มอาศัยอาหารที่แม่เลี้ยงผ่านทางสายสะดือตอนนั้นไม่ต้องหายใจเองไม่ต้องดื่มเอง ไม่ต้องรับประทานเองแต่พอออกมาจากท้องแม่แล้วทีนี้ก็ต้องหายใจถ้าไม่หายใจก็ตายพอหายใจได้แล้วก็หิวน้ําก็ต้องเดื่ดน้าได้เดือดน้ำแล้วเดี๋ยวก็หิวหิวข้าวหิวอาหารก็ต้องรับประทานอาหารรับประทานอาหารแล้วก็ปวดฉี่ปวดถ่ายต้องถ่ายต้องฉี่ ร่างกายเดี๋ยวเหงื่อแตกก็เหม็นก็ต้องอาบ น, น้า <c oughs> อาบผ้านี่แหละคือการมีร่างกายเป็นอย่างนี้มีภาระที่จะต้องคอยดูแลรักษาร่างกายแล้วก็ต้องทำอย่างนี้ไปจนถึงวันตายไม่มีวันหยุดทำงานเรายังมีวันหยุดแต่ร่างกายนี้ไม่มีวันหยุดพอหยุดหายใจเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อ น, นั้น เยุดดื่ น, น้ำหยุดหยุดรับประทานอาหารเมื่อไหร่ก็ลำบากเมื่อนั้น ก, นการมีร่างกายจึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีคนฉลาดจะไม่อยากจะมีร่างกายคนฉลาดก็คือพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านไม่เอาร่างกายแล้วท่านไม่ต้องใช้ร่างกายเพราะท่านมีความสุขทางใจแต่พวกเรานี้ที่ยังมีร่างกายกันอยู่ ก็เพราะว่าเราไม่มีความสุขทางใจเราจึงต้องอาศัยร่างกายหาความสุขให้เราแต่แทนที่จะได้ความสุขเรากลับจะได้ความทุกข์มากกว่าความสุขที่เราได้รับเป็นเพียงความสุขเล็กๆน้อยๆแล้วก็หมดไปได้ดูอะไรก็มีความสุขเดียวเดียวดูเสร็จก็หมดไปได้ดื่มได้ฟังก็เหมือนกัน เหมือนยาเสพติดเหมือนสุรายาเมาเหมือนบุหรี่เหมือนเครื่องเดิมที่เราโปรดปรานเวลาอยากจะเด่มพอได้เด่มก็มีความสุขพอเด่มเสร็จแล้วความสุขนั้นก็หายไปแล้วก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาใหม่เคย อ, อยากจะเด่มใหม่ถ้าไม่เด่มก็เดือดร้อนก็ทุกข์ใจแต่คนที่เขาไม่ไม่มีความอยากจะเด่มเขาก็ไม่เดือดร้อน เขาอยู่เฉยๆได้เพราะเขามีความสุขภายในใจดังนั้นถ้าพวกเราอยากจะแก้ปัญหาให้ถูกจุดเราต้องมาแก้ปัญหาที่ความอยากเพราะนี่เป็นต้นเหตุของปัญหาทั้งหมดที่พวกเราต้องดิ้นรนกันต่อสู้กันเพื่อที่จะหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเรา หาสิ่งต่างๆมาดูแลรักษาร่างกายที่เป็นเครื่องมือหาความสุขของเราแล้วเราก็ต้องเหนื่อยยากลําบากแล้วหามาได้มากหามาได้น้อยก็ไม่เคยเจอคำว่าพอความอยากก็ยังโผลมาอยู่เรื่อยๆโผล่ให้เราอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้หรือสิ่งที่เราได้มาแล้วก็อยากจะให้อยู่กับเราไป เรื่อยๆอยู่กับเราไปนานๆพอสิ่งที่เรามีอยู่หายไปจากเราไปเราก็ร้องห่มร้องไห้กันนี่แหละคือปัญหาของพวกเราเพราะว่าเราไม่สร้างความสุขทางใจกันถ้าเราสร้างความสุขทางใจเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้สร้างกันท่านก็จะไม่ต้องลิ่นลอน ต่อสู้เหมือนกับพวกเราพวกเราต้องขวนขวายลิ้นรนหาสิ่งต่างๆมาบำรุมบำเลอให้ความสุขกับเราหามาได้มากได้น้อยก็ไม่อิ่มไม่พอพอร่างกายนี้ตายไปก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่ไปเกิดใหม่แล้วก็ต้องมาหายใจใหม่มากินใหม่มารับประทานใหม่มาขับถ่ายใหม่มาดิ้นรนใหม่ เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆตราบใดที่เรายังมีความอยากอยู่ตราบใดที่เรายังไม่มีความสุขทางใจถ้าเรามีความสุขทางใจเราก็จะหยุดความอยากได้ฝืนความอยากได้เหมือนกับคนที่กินข้าวอิ่มแล้วถึงม้ใครจะอ า, อาหารดีขนาดไหนมาให้รับประทานก็จะไม่อยากจะรับประทาน เพราะรับประทานไม่โลงนั่นเองกินอิ่มแล้วจันใดถ้าใจเรามีความอิ่มมีความสุขแล้วเราก็จะไม่อยากได้อะไรต่อให้คนเอาเงินร้อยล้านพันล้านมาให้ก็จะไม่มีความยินดีที่อยากจะได้ถ้าจะรับก็รับไว้เพื่อให้คนอื่นเขาได้รับประโยชน์เช่นพระที่ท่านมีคนมาทำบุญท่านรับเงินแล้วท่านก็เอาไปทำประโยชน์ ไปสร้างโรงเรียนไปสร้างโรงพยาบาลไปทาประโยชน์อะไรต่อไปแต่สำหรับตัวท่านเองท่านไม่มีความต้องการเพราะท่านมีความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการได้เงินเป็นร้อยล้านพันล้านนั่นเองนี่แหละคือความวิเศษของความสุขใจที่พวกเรายังไม่รู้กันขอให้พวกเรามาทำบุญทําทานกัน มารักษาเสีลงกันมาหัดภาวนากันเถิดแล้วเราจะได้สัมผัสกับความสุขใจที่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะดีเท่าที่จะเทียบเท่าได้พอเราทำไปแล้วเราก็จะติดใจแล้วเราก็จะทำเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วความสุขใจก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปความทุกข์ใจก็จะน้อยลงไป พอความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากดูอยากฟังอะไรต่างๆก็จะน้อยลงไปจนในที่สุดจะไม่มีหลงเหลืออยู่ภายในใจเลยแล้วเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขไปตลอดไม่มีความทุกมาเกี่ยวข้องเลยหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเราก็ไม่มาหาร่างกายอันใหม่เราสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีร่างกาย ใจอยู่ที่ไหนใจก็อยู่ในโลกทิพย์โลกทิพย์ก็เป็นมีสวรรค์ชั้นต่างๆสวรรค์ชั้นสูงสุดก็เรียกว่าพระ น, นิพพานพระนิพพานนี้ไม่ใช่เป็นที่ศูนย์แต่เป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดเป็นสวรรค์ที่ไม่มีวันเสื่อมไม่เหมือนกับสวรรค์ชั้นอื่นๆยังมีวันเสื่อมได้เช่นสวรรค์ชั้นพรหมสวรรค์ชั้นเทพถ้าเรา ตายไปแล้วเราไปอยู่สวรรค์ชั้นพรมพอบุญที่เราได้สร้างให้ไปอยู่สวรรค์ชั้นพรหมหมดเราก็ต้องเลื่อนลงมาสู่สวรรค์ชั้นเทพเหมือนกับเวลาเราไปเช่าคอนโดอยู่พอเงินที่จะจ่ายค่าเช่าไม่มีเราก็ต้องย้ายออกย้ายออกจากคอนโดระดับห้าดาวมาอยู่คอนโดระดับสี่ดาวสามดาวตามกำลังของเงินทองที่เราจะจ่ายได้ บุญกุศลที่เราทํานี่ก็คือเงินทองที่เราไว้ใช้จ่ายค่าค่าเช่าที่อยู่อาศัยในสวรรค์ชั้นต่างๆนี่พอบุญของเราหมดเราก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็ต้องมาสร้างบุญสร้างกุศลใหม่จนกว่าเราจะสามารถสร้างไปถึงชั้นสูงสุดได้ถ้าไปถึงชั้นสูงสุดคือชั้นพระนิพพาน เราก็จะมีเงินจ่ายไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดเราก็ไม่ต้องเดอนลงมาจากสวรรค์ชั้นนิพพานลงมาสู่สวรรค์ชั้นพรมชั้นเทพไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นี่แหละคือผลที่พวกเราจะได้รับกันถ้าเราทำบุญทาทานเรารักษาศีลเราภาวนาเวลาเราตายไปเราจะขยับ ไปตามสวรรค์ชั้นต่างๆจนในที่สุดก็จะถึงสวรรค์ชั้นสูงสุดถ้าเรายังไม่ถึงเราก็ต้องทำต่อไปทำไปเรื่อยๆทำทานรักษาศีลภาวนาไปศึกษาธรรมมากไปแล้วรับรองได้ว่าไม่ช้าก็เร็วเราก็จะต้องไปถึงสวรรค์ชั้นสูงสุดที่ได้ในทางตรงกันข้ามถ้าเราไม่สนใจที่จะมาสร้างความสุข ทางใจไม่สนใจที่จะทำทานไม่รักษาศีลไม่ภาวนาใจของเราก็จะไม่มีที่พึ่งเวลาตายไปใจของเราก็จะต้องไปที่เรียกว่าอบายไปเป็นเดราชานไปเป็นเปรตไปเป็นอสุ ร, รกายไปตกนรกเพราะนั่นคือที่ไปของผู้ที่ไม่มีบุญติดตัว ไม่ได้สร้างบุญก็เบื่อกับคนไม่มีเงินติดทองติดตัวไปเวลาเดินทางไปก็ไม่มีเงินที่จะจ่ายค่าโรงแรมค่าที่พักค่าอาหารก็ต้องไปอยู่ตามข้างถนนอยู่ตามใต้สะพานนี่แหละโรคทิพย์ของผู้ที่ไม่ได้ทำบุญทำทานไม่รักษาศีลไม่ภาวนาก็คือการไปเป็นเปรตบ้างเป็นเดรัจฉานบ้าง เป็นอสูรกายบ้างไปตกนรกบ้างถ้าเราไม่อยากจะไปก็ขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วพยายามทำทานอยู่เรื่อยๆรักษาศีลให้บริสุทธิ์เริ่มต้นตั้งแต่ศีลห้าขึ้นไปแล้วก็ขยับขึ้นสู่ศีล8ปศีลสิบศีล227แล้วก็บาเพ็ญจิตตภาวนานั่งสมาธิทำใจให้สงบ ใจสงบมีอุเบกขาแล้วเวลาออกมาก็สอนใจอย่าไปทำตามความอยากเพราะความอยากไม่ได้พาไปสู่ความดับทุกข์ไม่ได้พาไปสู่ความสุขที่แท้จริงแต่พาไปสู่ความทุกข์พาไปสู่ความอยากใหม่ถ้ามีปัญญาคอยสอนใจอย่างนี้ต่อไปใจก็จะไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไร ใจก็จะไปถึงพระลิพานแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่แหละคือที่พึ่งของพวกเราเราจะได้หลุดพ้นจากกองทุกข์อย่างท้าวอถ้าเรายังต้องกลับมาเกิดเราก็ยังต้องกลับมาสู่กองทุกข์ใหม่เพราะว่าเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมีใครอยากจะแก่บ้างมีใครอยากจะเจ็บบ้างมีใครอยากจะตายบ้าง เวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายนี้สุขหรือทุกข์กันถ้าไม่อยากจะแก่อยากจะเจ็บอยากจะตายก็อยากกลับมาเกิดถ้าไม่กลับมาเกิดก็ต้องหยุดความอยากให้ได้จะหยุดความอยากให้ได้ก็ต้องมีความสุขทางใจก็ต้องทำบุญต้องรักษาศีลต้องภาวนานี่แหละคือเส้นทางการดำเนินของพวกเรา ถ้าเราดำเนินตามทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงดำเดนินเราก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางจุดหมายเดียวกันกันกบที่พระพุทธเจ้าได้เดินทางไปถึงจึงขอให้พวกเรามีศรัทธาความเชื่อที่แน่วแน่ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วพยายามปฏิบัติตามให้ได้แล้วเราจะได้รับประโยชน์อย่างมากเราจะได้หลุดพ้น จากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปการสแสดงก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกั น, นวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญ เขาผ้าปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากัรเธอ